องคตัดสรู้เพราะการทำางจิตและตอนนี้เราอยู่นี่ทุกคนมีจิตมีใจใช่ไหมและเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดถึงรูปกายเนี่ยก็มีจิตมีใจแล้วก็มีรูปมีกายเหมือนกันเหมือนกันไม่เได้ผิดกันอะไรทั้งหมดเลยและตอนนี้เราไม่เคยมาดูที่จิตที่ใจของเราเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรไม่ตอนนี้เรามาที่นี่ก็อยากให้พวกเราฝึก ต้องหัดฝืกมันอยากทําเราต้องดูมันอยากพูดเราต้องฝืนต้องดูดูที่ใจนะดูกายดูใจเราจะเข้ากับสังคมนี้เราต้องดูกายของเราดูใจของเราฟังคําพูดของเราเนี่ยเราก็ดูกายดูใจพ่อพระเจ้าเขาได้ตัดสัุ้กเพราะท่านดูกายดูใจทีแรกมันต้องไปดูคนนั้นดูคนนี้ ก็เลยรู้ว่าอาดีตเป็นอย่างนั้นอนาคตเป็นอย่างนั้นและปัจจุบันเป็นอย่างนั้นท่งนก็รู้เพราะว่าท่านมีปัญญามากอาดีต ท, ที่ทํามาแล้วมันผิดแล้วก็แก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้เลยอนาคตคือพรุ่งนี้เรานึกว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้คงจะดีอันนั้นก็ไม่ต้องเอาเพราะมันยังไม่มาถึงมันกําลังคิดมู่ขึ้นมาเดี๋ยว น, นี้นี่แหละเราให้ทันที่ตรงนี้แหละนี่เป็นการปฏิบัติ ปฏิบัติยังง่ายๆเนี่ยพอที่มันคิดพุ่งขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจกับความคิดของเราเนี่ยผมคิดอันนี้มันคิดมาอย่างนี้ถ้ามันคิดผิดแล้วก็ละอายนะถ้ามันคิดทางไม่ดีอ่ะเราก็กลัวมันมเมื่อเรามีความละอายมีกลัวมันแล้วบา้ากาไม่เกิดบาปก็ไม่ดีบาปคือความคิดตัวนี้นี่เองหลวงพ่อเข้าใจที่นํามาเราให้ฟังสั้นนี อย่างอื่นน้องพ่อว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องคนภายนอกไม่มีปัญหามีปัญหาคือจิตใจเราต้องแก้ที่จิตที่ใจเราจะไปเป็นครูกรตาไปเป็นหมอกรตาไปเป็นอนไรกระตาเราต้องแก้ที่ใจทํางานกับเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยมันต้องมีคนนั่นพูดคนนี้พูดเรื่องของเขาอยาเอาเรื่องของเขามาทาเราต้องทําตามหน้าที่ของเราแต่เราทําให้ดีกว่าเขาเนีแต่จะไม่ใชยักได้ดีนะทําให้ดีกว่าเขาทำอย่างไงเขากลก เราจะไปพูดกับเขาเขาพูดคำหยาบคายคาไม่ดีเราจะพูดกับเขาเขาเหตุยางเรียกว่าอะไรทั้งหมดเลยเราจะไปทํากับเขาคือเราไม่เอาดีเหนือเขาแต่เราจะไปทํากับเขาคือเราจะทําแบบนี้สมมติเรานั่งเราต้องนั่งท่านี้เรากล่าวกต้องกล่าวท่านี้เราพูดก็ต้องพูดท่านี้แต่อย่าไปพูดกับเขาแต่พูดกับเขาเราต้องพูดกับใจเราเราต้องคุยกับใจของเรา เราไม่ต้องไปพูดกับคนนั้นคนนี้มากพูดกับใจของเราให้มากอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสอารมณ์หรือทำอารมณ์เกิดขึ้ใจถ้ามีอารมณ์ดีดอกไปซื่อจัดคนเรามันมีกินข้าวร่างกายต้องอาศัยกินข้าวนุ่งผ้าอาบน้ํามันไม่สกะปกะถ้าเราไม่มีเสื้อมีผ้าไม่อาบน้ําเหม็นสาบเหม็นข่าถ้าไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันก็ไม่สยุยอันนี้ร่างกายกินข้าว ถ้าไม่กินข้าวมันก็จอยกระพรบอันนี้ร่างกายส่วนรูปส่วนใจบัดเนี่ยชีวิตชีวิตกับจิตใจคนละอันนะส่วนชีวิตกับจิตใจเนี่ยเรามาแยกกันเนี่ยคือตัวใจนะถ้าไม่มีลมหายใจเราคนณเดียตายนี่ว่าคุณตายก็ it, ต, ยต้องอาศัยลมหายใจเราอยังอยู่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีลมหายใจเากันตายหมดแล้วอาศัยลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจเนะมันตาย วันนี้เราโกรธขึ้นมาลมหายใจมันไม่ดีมันมันไม่ไม่เป็นปกติมันกระทบกระทั้งมันก็สแสดงออกมาไม่ดีแล้ววันนี้ชีวิตจะอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจใจบันนี้ใจจะไม่โกรธไม่โลดไม่หลงบันนี้ใจจะเย็นจะสบายก็ต้องมีมีอารมณ์หรือมีธรรมอารมณ์หรือมีธรรมะผ่องใจธรรมนะนั่นก็มองไม่เห็นใจก็มองไม่เห็นแล้วคือสตินั่นเอง คือมีสติคอยดูจิตใจมีขมละอายและมีควกลัวอยู่เสมอให้เราละอายอยู่เสมอให้เรากลัวอยู่เสมอกลัวกลัวจิตกลัวใจกลัวที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็มีขมละอายอยู่เสมออันนี้พวกท่านนเป็นนักศึกษาแเรารู้ทันทีอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเปแสดงทำแล้วคนได้ดวงตาเห็นทำเป็นพระโสดาบันอย่างนั้นอย่างนีน้ไม่ได้เห็นสีแสงอะไรนะไม่ได้มี เน่ยวะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เห็นตัวเรานี่ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นธรรมก็เห็นตัวเรานี่เองไม่ได้เห็นอะไรแล้วมีธรรมะอีกบทหนึ่งว่าอาตาฮิอาตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนต้องพึ่งตัวเราจริจิอันนี้เยาว์าจะไปพึ่งพ่อก็ไม่ได้พึ่งแม่ก็ไม่ได้เยววามือเรามีห้าดิ้งต้องอาศัยกัน ต้องอาศัยสติปรรัญญาต้องอาศัยตาเห็นต้องอาศัยความคิดพอเราเรียนมาแล้วสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์แก่เราต้องทําสิ่งใดที่มันจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราไม่ต้องทําสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เราก็ตามทําไปแล้วมันจะเดือดร้อนเราก็ไม่ทําเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากสิ่งใดมันเป็นประโยชน์แก่เราทําลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเราก็ทําได้อันนี้ อันนี้เป็นการทําให้ดูอยู่ให้เห็นได้พูดให้ฟังถ้าเราทําอย่างนี้ทุกคนทุกค น, นเรียนพเข้าใจว่าจะสบายไปศึกษาเราเรียนในโรงเรียนก็ไปสบายเพราะจิตใจมันไม่โกรธเรื่องก็กสบายเรียนหนังสืก็เรียนได้เราไปทําการทํางานตามร้านบริษัทแล้วก็ทําอย่างสบายสบายเราไปเป็นตํารวจทหารเขาไปเป็นอย่างสบายสบาย เป็นครูก็เหมือนกันสบายสบายเป็นพระสงฆ์องค์เด่นอมเหมือนกันเนี่ยธรรมะมาเจอไม่ใช่ว่าบวชแล้วยังเป็นพระได้มันก็ต้องบวชทุกขบหนึ่ถ้าไม่บวชมันก็ไม่เป็นพระมันก็เป็นม้พตอนนี้ให้ให้เราเข้าใจอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อเคยถามปีนี้ก็ถามบ่อยๆถามเพื่อนทุกคนต้องการสวรรค์ต้องการานิพพานตอนเข้าเราก็เคยพูดอย่างนี้นะพูดไม่ตรงตอนพูดแรง ตอนนี้ก็พูดอีกแล้วแต่ทุกคนต้องการความสุขความสุขนั้นตายแล้วจึงเอาเนี่ยเป็นอย่างนั้นลงพอกคยเป็นมาแล้วเรึ่งนี้จึงเอาตัวเองมามาเป็นหลักการมาเป็นประธานมาเป็นนะคําพูดเมือ่อทําบุญก็ต้องปัทนาเอาสวรรค์เอานิพพานถ้าหมดกิเลสก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่หมดกิเลสก็ต้องไม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานกิเลสไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่ดูลงไปที่นี่ไม่เห็นจริงจิงถ้าเราดูลงมาที่จิตที่ใจเราจะเห็นจริงจรกิเลสกิเลสคือทุกข์หมดสุดที่นางวัตเตเมทานังคืสุด ท, ที่นังก็หมายถึงสวมรู้สกจริงๆวัตตาหมายถึงบ่วงขบวัตตาหมายถึงสงสารสุดที่นางวัตเตเมตา ịch, อาสาวะขยาวะหังนังอาสาวะขยุกิเลสนี่อาสาวะขยาวหางังโหตูข้าพระเจ้า ย, ย็นดีเลยเราไม่เสียสละ คำว่าทางก็หมายถึงเสียสลาินดีน่เลยการถวายของข้าพเจ้าหมายถึงเอาให้ถวายก็หมายทึงาการถวายของข้าพเจ้าทางไหนี้จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสวะกองกิเลสเี่ยว้ามาจนแทบตายแล้วความไม่หมดจงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสวะกองกิเลสเครื่องดองส น, นันท่านกล่าวว่าพระนิพพานถ้าหมดเหล่านี้แล้วก็เป็นนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโ น, น, น้นเธอเนี่ยในบัดนี้ในขณะนี้เราไม่อยากออก เราต้องเอาเดี๋ยวนี้อย่าไปฟังตามคําพูดของคนที่ไม่เข้าใจสอนเรามานั้นเราเป็นนักศึกษาเราต้องฟังและต้องคิดถ้าหากเราจะเอาสวรรค์นิพพานต่ออนาคตคือตายแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบตายเดี๋ยวนี้กว่ดีทีเราตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานเดี๋ยวนี้แต่ถามทุกคนนี่ลองพกไปถามกันอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายทั้ง อยู่ที่นี่ก็ไม่มีไม่มีสะกุนเดียวใช่ไหมคุณจะตายดีทำไมไม่อยากตาย เ, ย <_ S 1> เนี่ยอยากตายไหมเนี่ยอันนี้แหละต้องเอา n i พ v านเดียวนี้พวกเรามาที่นี่หลวงพ่อจะให้เอานิ r v านเดียวนี้เราไม่ต้องเอาเมื่อตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรคันถ้าจะได้ n i r v a n ตัวเมื่อตายก็รีบตายเร็วกระโดดน้ําตายก็ได้เนื้ อ, อปืนยิงตัวตายก็ได้นื้อผ้ามัดขอตายก็แล้วแล้วจะ แล้วแต่จะทํายังไงนะท่านเราจะเอามีพานต้นเมื่อตายแล้วนะ่ะตายแล้วก็ได้มีพา น, นทันทีอันนั้นมืนเข้าใจผิดคือเข้าใจทูกน้อยเพราะคนสอนกันมาอย่างนี้นานะไม่ใช่น้อยนะที่ว่าแปลกๆอย่างนี้ก็จะหาว่าหลวงพ่อเนี่ทําทลานแล้วเนี่ยแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นคือหลวงพ่อว่านิพานมันไม่อยู่แล้วระหว่างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นไม่เป็นสมบัติของคนนะ คนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันคนนั่น็เรียกว่าตกอยู่ในระหว่างถ้ำตาจะมีทางสีแ่แผงจะเดินไปตะวันตกตะวัดออกได้จะไปเดินข้างหน้าข้างขวาได้นะคนอยู่ที่สงสารในวังคนอันมนุษย์ได้หมายถึงบุคคลผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งพัฒนาแล้วเราพัฒนาดูแล้วจิตใจของเราดูแล้วเราแบบมนุษย์แปลว่าผู้มีม น, นะมีจิตใจเข้มแข็ง เร่ยกว่ามนุษย์เรียมนุษย์ได้จะเป็นเป็นสมบัติของสวรรค์นิพพานเป็นสมบัติของมนุษย์เทียนนรกสัตว์เดรัจฉานเตะอสุรกายเนี่น s, ยเป็นสมบัติของคนแในวันนี้สวรรค์นิพพานก็เป็นส ม, สมบัติของคนเหมือนกันแต่ว่าคําว่าคนนี่มันมันเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนจากจากคนมาแล้วมาเป็นมนุษย์คันถ้าเราลงไปเป็นคนนั้น่ะไม่ได้ขึ้นมามนุษย์มันก็นไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ดังนั้นเราเป็นมนุษย์ มนุษย์เนี่ยก็หมายถึงผู้ศึกษาพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษาควรได้จะทำให้ใจิตใจแข้มแข็งเป็นมนุษย์เราจึงเอาสวรรค์สวรรค์คือเราเอารมณ์ดีๆใครพูดให้เราก็เสียสละเสียอภยัยเดียกอภัยทานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุทานที่หลวงพ่อพูดนี้มันวัตถุทานนั้นโอจะทานให้ใครก็ได้ทานให้เพื่อนๆ เ, เราก็ได้แต่เราต้องเสียสละ เราเสียสละให้อภัยแกเพื่อนแล้วน่ยนะเรียกวอภัยท election, านธรรมทานอภัยทานธรรมทานเพราะว่าเสียสละให้ให้เพื่อนเนี่ยลอยข้างพันหมุ่นก็ยังไม่เหมือนกับเที่ยงธรรมทานธรรมทานนี่คือเราต้องเป็นธรรมะอยู่เสมอใครจะพูดยังไงก็ไม่ต้องเสียสละอะไรคือเราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมทานจิตใจหลักธณะนี้เป็นว่าเหนือดี เนื้อทุกเนื้อสุกเนื้อบ้าเนื้อบุญท่านได้ว่าอุเปกขาคำว่าอุเปกขาได้หมายถึงจิตใจมันไม่ยึดไม่ถืออะไรเดี๋ยวนี้เนะ่ยจิตใจเราไม่เคยยึดเคยถืออะไรทั้งหมดทุกคนลักษณะนี้แหละคือนิพพานแต่นิพพานลดนิพพา น, ม, น ม, าามันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเราไม่รู้วันนี้เราเรารู้แล้วเนี่ยแปลว่ารูจ้จับแล้วพวกเราก็ต้องใส้สติปัญญา นิพพานมันเป็นกลางกางมันเสยเสยมันไม่ดีมันไม่ชั่วแต่มันทําการทํางานได้มันอยู่สบายสบายคือมันไม่ยึดไม่ติดมันไม่มีอุปทานคือจิตใจมันวางสิสภาพนี่เรียกว่ามันจิตใจมันวางเลยไม่ใช่ว่าจะให้ลดไถ่ละให้เสียสละอันนั้นอันนั้นอะยังหาวิธีสละได้มันยังไม่เป็นธรรมทานหรือว่าเป็นอภัยทานกธรรมทานนี้ตอนธรรมทานนี่คือมันไม่มี เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีนะคุณคุณมียิ้มมีขี้ในเดี๋ยวนี้เคยเคยเคยไหมเรื่อมีมีทุกคนมไัมสัตว์จะมีไหมเนี่ยสัตว์ก็มีแต่สัตว์นั้นสอนไม่รู้เรื่องคนก็ดีกว่าสัตว์แมวก็มีสุนัขก็มีตอนเศร้านี่กําลังสั่งอาหารอยู่กับไก่สองตัวสั์กันอยู่นนั้ชุมช แต่เวลามันอยู่ด้วยกันกันมันก็สบายเพราะมันมีอย่างนี้แหละเราต้องมองเจาะลงมาที่ตรงนี้ทีเดียวในขณะที่มันคิดว่าโอ๊ยไม่พอใจแล้วเนี่ยให้เราเรามีความละอายในทันทีมันจะเป็นทุกสันทีหลักษณะเสยๆเราให้เราจําได้ทุกคนว่าหลักษณะเสยๆอันนี้แหละมันมีอยู่ในคนในสัตว์แต่ว่าคนนั้นมันอย่างไม่เข้าใจสัตว์นั้นยิ่งแล้วพูดให้ฟังแล้วมันจําไม่ได้คนนี่พอจะจําได้ ถ้ามานุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นเข้าไปไวๆอย่างที่พวกท่า น, เ, นเป็นนักศึกษาสามารถโอจะเอื้อลักษณะจิตใจของคนเป็นอย่างนี้มาแล้วลักษณะนี่มันเป็นสมบัติของนักศึกษาหี่อว่ามนุษย์ก็ได้นักศึกษานักศึกษาจะไปผู้เรียนสูงแต่เราไม่ได้เรียนทางชีวิตของเราเราไปเรียนได้ตัวหนังสือวันนี้เนี่ว่าวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยี่สิบห้า เนี่ยวันน um> ี <old days> ้เป็นวันป like right ีใหม่แลไม่ใช่ป <t baş demographics> ีเก่าแล้วปีเก่าเนี่ยเราไม่เคยได้รู้อย่างนี้วันนี้ปีใหม่เราต้องรู้อย่างนี้เอาอย่างนี้ไปทําการทํางานเราต้องอยู่ระดับนี้เพื่อนมาหาเราเราต้องเอานี่ค่อยออกหน้าให้เขาใจอย่างนี้ไปหาพระเราต้องเอานี่ค่อยออกหน้าอย่าเอานี่โป้ออกหน้าไม่ดีอนุนี่โป้ออกหน้าเนี่ยมันไม่ได้เคยทำไหะเอานี่โป้ออกหน้าได้ไหมมันไซส์ไม่ได้มันต้องเอานี่ค่อยออกหน้าอย่างนี้อย่างนี้ค่อน่านไป พาไปในก่นพาไ ป, ไปเราต้องให้รู้จักคุ้มค่าของนี้วกลอนเนี่ยพวกเธอทนายเขาจะเป็นนี่วกลอนเป็นนิ้วมันนอกระดับมันจะเป็นผู้นําได้นี่ค่อยมันสามารถนําได้มันนํำได้จะนําให้มันถูกนะมันนํานไปตีขอมันทำไมได้ทําำนิสิตีไม่เก็บถ้าเก็บกับคนนิสิตีเก็บแต่กรรมกับคนไม่ออกทังนี้มันจะเอาทังนี้ส่งไปถ้าหากเอานี้วกลอยได้เป็นผู้นําดีแต่ว่าให้ระวังนิ้โป้ไว้ให้มันดีนิ้วโป้มันสามารถจะกรรมนิ้วกลอยอยู่ก็ได้ เป่างนั้นคนละเรื่องมันให้ม ah? ันอยู elin, name, thoughts, ่ด yes, ้วยกันได้ดิ้วมือห้าดิ้ถ้าหากว่าดิ้วมือห้าดิ้วในอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็ทําไม่ติดมันจะเป็นคนมือกุนถ้าเราอยู่คนเดียวเขไม่ได้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอยู่อาศัยด้วยกันถ้าอยู่อาศัยด้วยกันหลายคนต้องรู้จักจิตใจของเพื่อนเราจิตใจของเราแต่ทุกคนเนี่ยมองถึงจิตใจตัวเองแล้วก็สบายทําการทํางานโดยไม่ดุดร้อนไม่มีทุกข์จริงๆริเนาเข้าใจอย่างนั้น เนี่ยย้ายมันเป็นอย่างที่งูงูหางงูพาหัวงูไปเข้ากลอกไปตายหัวมึงดีไหมกูไม่ไปด้วยมึง้วก็มึงไปไม่ได้หัวแถวหางแถวเนี่ยงานที่เลงเขา้าไนั่งเป็นแถวกันดีๆนั่งเป็นแถวกันดีๆหัวแถวหางแถวนั่งให้มีระเบียบเรียบร้อยหัวนั่งอย่างนึงหางนั่งอย่างนึงมันก็ไม่สวยมั น, นจะดูที่ไหนไม่มีระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีสภาพเรียบร้อย แต่ว่าเราให้ต้องพยายามดูอันนี้เป็นบทเตือนกันไม่ใช่เตือนเพื่อจบหายเตือนเพื่อออกก็ได้เตือนเพื่อให้เราไปไซด์ก็ได้